พี่พักผอนหลับนอนจะทำความเพียนเพื่อให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุเพื่อกระทําให้แจ้งใน่อสัจะทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอทุกท่านจงสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมออกไปจากดวงจิตทำชีวิตจิตใจเป็มีแต่ความสดชื่เนเบิกบานแจ่มใส และตรารถความเพียนกำหนดอิริยาบถให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในการที่จะถอยกลับมาข้างหลังในการเหยียบคูแล่เลี้ยวท่านทั้งหลายอย่าได้ปล่อยวันเวลาให้ว่วงเลยไปเปล่าโดยปราศ จ, จากประโยชน์เลยวันเวลานั้นล่วงไปทุกคืนทุกวัน เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องเอาคืนมาได้เราอาจจะตายวันนี้เดือนนี้หรือปีนี้ปีหน้าก็อาจจะเป็นได้เหตุฉะนั้นจึงควรหรือที่เราท่านทั้งหลายแต่ยังความมัวเมาประมาทเพื่อให้เกิดเราได้สร้างโครงเหล็กอันมหาศาลมั่นคงถาวรไว้เพื่อล้อมรอบทั้งตัวของเราเองมาตั้งแต่ครั้ง บ, บุกบันขั้นสัปโดยใช้อำนาจโลภะโทสะ และโมหะเป็นโจรขงังเราได้คุดลุ้มฝังตัวของเราเองมาน้ำชาที่เกิดแล้วไม่ท่วนจากการเป็นสัตว์เลื้อยคลานชั้นต่ำมาจนกระทั่งถึงมนุษย์เราต่างกัดกันรุกผลัดกันรับหลัดกันจองล้างจองผลานซึ่งกันและกันผลัดกันต่อสู้กับความยากต่างๆอยู่วันแล้ววันเล่าจนกว่าจะสิ้นชีวิตตั้งแต่อดีตอันยาวนานออกไปไม่มีทางคาดคะเนได้ แล่อนาคตอันยังมาไม่ถึงเราต่างขอสแสดงหาซึ่งสิ่งอันเป็นปฏิปูลสิ่งอันไม่เป็นสาระแก่นสารทั้งหลายเอามาบำรุงบำเรลตนและคนอื่นโดยทั้งที่ตนและคนอื่นที่ถู้บำรุงบำเรล น, นั้นก็ไม่มีใครเที่ยงแท้แน่นอนชาวอนอะไรเลยเราจะเป็นอยู่อย่างนี้จนแล้วจนรอดทุกทุกชาติไปเกิดทุกครั้งไม่มีหวังที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นทุกผู้ใดเบื่อหน่ายในการกังวลมัวคอยแส่จะแก้ทุกผู้ใดปรารถนามีความทุกขจิตตามมทันผู้นั้นโตเร่งศึกษาหาความรู้จากหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพยายามทำที่สุดแห่งทุกแห่แก่ตัวเองด้วยความไม่ประมาเทเถิดชีวิตจัดจำเรินสังคนก็จะเรียน คนนัปฏิบัติธันเท่างหลายพระมัจจั์นี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงตรัสว่าพระมัจจัน์นี้ไม่ใช่มีลาภสการะและเสียงสรรเสริญเยินยอเป็นอนิสงส์พระมัจจันนีไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นอนิสงส์พระมัจจันนี้เราจะพึ่ง ไม่ใช่เพียงเพื่อจะเป็นเจ้าละทิหรือแก้ละทิอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระมัจจันนี้พ ร, ระบรมศาสดาทรนตรัสว่าเราประพฤติเพียงเพื่อที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์พยายามทําตนให้หลุดพ้นเข้าถึงพิมุติภาวะสามารถยังตนของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้โดยเด็ดขาดในปัจจุบันชาติในชีวิตนี้นั่นเองไม่มีผู้แสวงหา แนวทางเหตการดับทุกข์จะต้องผลป่วยในการกระทําความเพียรด้วยความไม่ประมาทพยายามทําที่สุดแห่งทุกข์ให้จะนด้วยความมีความรู้สึกเตือดพร้อมในการที่จะเศ้าไปข้างหน้าในการที่จะถอยกลับมาข้างหลังเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งมีศีลอย่างยิง่ยงการถึงพร้อมด้วยการระมัดระวังนั้นถ้ามาหามุนีเจ้าทรงสายว่า ความถึงพร้อมแห่งศีลอวามใจใสอย่างยิ่งต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะชำระจิตใจของตอนนั้นให้บริสุทธิ์ทองใสเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะสลัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้ออกจากตนนั่นเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งปัญญาบุคคลผู้ขนถวายในการกระทำที่สุดแห่งยุบให้จากตน การไม่การใจตนเองพย้ายากมาทำช ง, งานความดีในการที่จะนขนุไถ่ทําที่สุดแห่งทุกข์เพื่อตนูกความไม่กามนั่นแหละชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทผู้ที่อยู่ใกล้คิดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเา้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ท, รรท่านนัปฏิบัติท่านทั้งหลายท่านสายชดาทรงตรัสเล้าอีกว่าการคลองเรือนนั้นเป็นสิ่งที่ยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพานเป็นทุกข์อย่างายิ่งสิ่งสูญหายเครื่องจองจําที่ทําด้วยเชื่อกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆนั้นเราสถาทศไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจาคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินี่แหละซึ่งปูกมั่นรัน้นรือจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้จิตตรึงอยู่ในทบอันไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องตองจาที่ปูกยันยอนูกยันยอนแต่แค่ระยากคือบุตรภรรยาสามีและทรัพย์สมบัตินี้เองรูปเสียงกลิ่นรสและถดถับนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้น เขาจะต้นออกจากโลกไี้ได้เลยท่านผูใ้ใคร่จะทำเท่ า, ายรทีริตแห่งคนผู้ประมาทเป็นเสมือนหนึน่งว่าคนตายแล้วช่วนขนขวายในการแสวงหาที่พ่ให้แก่คนนั้นจึงจะเป็นผู้ชื่อว่าเป็นพุทธสาว ผู้เชื่อฟังผู้เดินตามรอยอยุคสมบัติขงพระศาสดาพระสหมมาสมพุทจเจนะ้าเขาชวกเราเนี่ยพระองค์ทรงอุปัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่อความสุขแก่โลกในมาหาชนพระองค์ทรงสงสายในการทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แกพ่พระองค์ได้แล้วแต่จรงเป็นดวงตาของโลกพยายามแนะนำขั้นเตรียมแต่โลกทั้งหลายให้ได้สามารถบรรลุสัจธรรม พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจประตูอันไม่ตายนั้นพระตถาคตเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมะตะถาวานหรือว่าประตูอันไม่ตายอันเราตถาคตได้ปิดโล่งแล้วเชื่อพวกเพือทั้งหลายนั่นโพนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้ง เธอทั้งหลายจงเที่ยงชานและทําความเทียนเพื่อทําที่สุดแห่งทุกอย่ยาได้กลัมาเธอทั้งสายทั้งหลายอย่าต้องเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นพระวาจาเคื่องขั้มสอนของพระบรมศาสดาตสำมาสมุติเจ้าของพวกเรามนุษย์และจักทั้งหลายผู้อุบัติมาในโลกนี้เป็นเสมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไว้แล้ว รอแต่การลงอาญาของขยามัติราชเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะทราบว่าเราจะตายวันไหนเราอาจจะจากโลกนี้ไปในวันนี้หรือปีนี้ปีหน้าก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในสังสารวัตรนี้แห่พิจารณาเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันควรจะมีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจต่อกันเลยกันหรือเสียว่าเรามาสู่โลกนี้เพียงตายอันซื่อเปลา่าฉันยามจะกลับบ้านเต่าเราก็ไม่มีอะไรติดตัวฝัดแม้แต่เรือนร่างอันแสนจะน่าทุเรศนี้เราก็อเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้เศรษฐายจะต้องมาแข่งแย่งแข่งดีเบียดเบียนเข่นฆ่าราวีซึ่งแต่ละฝันหรือจะหาโทษให้แก่กันแย่งสมบัติที่ดิน เรียบสวนไรนาของกันและกันตายแล้วเอาไปด้วยได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะใช้เวลาว่างแค่วันละหนาทีก่อนจะหลับมาสำรวจข้อบกพร่ อ, อ, งองของตัวเองแล้วคิดแก้ไขความเป็นอยู่ของคนนั้นก็ย่อมจะดีกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าบุคคลที่คอยตั้งหน้าตั้งตาแค่ใช้นินทาว่าร้ายคนเองซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตของเขาเลย มนุษย์เรานั้นจะเกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำเพียงใดแม้จะเป็นกษัตริย์รามแท้สูดหรือเป็นคนผ่านก็ถาก็ตามทุกชีวิตยอต่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดนั่นก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายในที่สุดความตายนั้นย่อมกว่าล้างสรรพสัตว์ไป โดยไม่ได้ละเว้นใครไว้เลยแต่ใครก็ไม่อาจที่จะต่อสู้ได้ด้วยวิธีใดนอกจากนี้มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวไยและไร้ในความสุขเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนไม้นานาภันเมื่อนำมาเผาไฟแม้จกมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะโม่อ ง, งแยกกันอยู่ทาไมวา คนนั้นเป็นคนชั้นสูงคนนั้นเป็นคนชั้นตวเรามาช่วยกันกระตือสันติสุขให้เกิดแก่โลกที่กำลังร้งรอนระอุอยู่นี้จะมีดีกว่าหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใดวันนัดใดเมื่อประพฤติประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมเป็นคนดี ทำกรรมชั่วก็เป็นคนชั่วนั่นเองท่านักปฏิบัติทัท้งหลายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้อุบัติมาในโลกนี้เป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงทางเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทิศซึ่งเต็มไปด้วยภัยอันตรายอันน่าหวาดเสียวแต่ยุคนจะรู้สึกว้าดเวเพราะไม่แน่ใจว่า จะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยของชีวิตที่แน่นอนวันนี้ขอเราทั้งหลายจงไม่มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่าหวังพึ่งสิ่งอื่นเลยโดยเฉพาะความรักและความสเสน่หาอะไรนั้นไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอขุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกพึ่ง ส, สักษาธรรมะ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างไรการกระทาที่ไม่ขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เล้ยงเสียเพราะฉะนั้นแม้จะไปจบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็ต้องไม่ท้งธรมมนุษย์ผู้ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้น จ, จะมีการลังเผลอกระพุธกรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจกระพุธรรมสั่งสมความดีกันใหม่โดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธแล้วจําเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติมิเสรีและกล่าวตั้กล่าไว้ ว่าธรรมดาไม้จันนั้นแม้แต่แห้งก็ไม่ทิ้งกลีนขัดดินแม้จะเต่ายงสู่สูงขามก็ไม่ทิ้งลีงลาต้ยแม้จะเข้าสู่หีดเกืนแล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบันดิตทั้งหลายแม้ประสบทุกข์เตรี่ยนใจก็ไม่ทิ้ทขอรรมเราเราทั้งหลายจงยินดีในธรรมจงกระพริบธรรมเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แต่ตนโดยทางที่ชอบด้วยความไม่ประมาทเสมอ ชีวิตจะจเริญสังคมก็จะเ่็มเย็นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระศาสดา ส, ดาสมมาสมมุติเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของสัมสัตว์ทั้งหลายผู้บัติมาในโลกนี้มีความเกิดในเบื้องต้น มีความแปรปรวนไปในท่างกลางและมีความแตกสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นมีคุณค่าอยู่ที่ตรงไหนชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงได้เสียงคํามตัวเมื่อเราลืมตามองดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ต้องรองหไห้เมื่อจะหลับตาลานโลกทุกคนต่างก็พากัน ร, ร้องหไห้ หรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นต้องหลังนั้นตาเด็กๆน้องห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะห่วงเหนียยึดถือเอาได้่นสิ่งนี้สิ่งนี้มาเป็นของตัวแต่เมื่อจะหลักตาตายนั้นทุกคนต่างก็พากันแบมือออกสเสมือนหนึ่งจะเตือนบอกให้คนข้างหลังได้สำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลย ในเวลาที่จะมีชีวิตอยู่นี้มนุษย์เราต่างก็พากันวิ่งกระหิดกระหอบกรอบป่วยสอดแสลงหาทรัพย์สมบัติและความเป็นใหญ่เป็นโตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และในขณะที่วิ่งกระหิดกระหอบกรอบป่วยนั้นบางคนก็ยังต้องทาบาป ท, ทำกรรมแห่ความสุขบนความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่นานนะเขาก็ต้องแ บ, บมือสาราพัดต่อโลกว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยทับสมบัติ และสิ่งอืนนั้นมันเป็นสมบัติของโลกใครจะเอาไปด้วยไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้อิหลักเปลี่ยนกันเข้ามาขอยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นแม้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในที่สุดก็จะกลายเป็นเพียงนีใหญ่ที่มีไว้เพื่อเล่าสู่กันฟังเล่นสนุกสนุกของเองเมงกุฎประดับเพชรของพ ร, ราชมีผ้าเท่ากับหมวกฟางพระทาสอันมีลวดลายวิจิตเสมือนคผลไม้ที่ไร้ค่า เมื่อความตายมาถึงเขาแม้พระราชาก็ยังต้องวางพระท่าอันวิกฤตถอดมงกุฎประดับเพชรวางลงและเดินเพียงผู้ไปกับชาวนานหรือขอทานที่เพื่อจะวางแอกและไถไวใ ห, ให้เป็นมรดกแก่บุตรผู้อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นใครเล่าที่จะสามารถต่อกรอกับพระยามัตุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่จะต้องตายได้ แต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีความหมาดและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้ว่ากันที่จียงแล้วความตายนี้หรือพยามัจุราชนี้ก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เหมือนกันเพะเพียงแต่ไึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภความโกรธความหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้น ก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากการทำเชื่อผุ้จริทธิ์ที่เคยทำแ้วแต่ว่าถ้ายามัตุราชนี้นี่เองที่ได็กาชาย่าเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างแน่ตาเฉยแม้ในโอกาสที่ยังไม่บงังควรแม้ความงามอันเฉ่อยฉายของหญิงงามกะการตาร่านใจคันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาล ตางตาปราถนายิง น, นะของบุรุษทุกวัยในพื้นที่ปกนี้เธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ยังต้องตกเป็นเหยื่อของความตาผู้ไม่เคยยกเว้นปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดกันหนึ่งใช้บ่วงอันมีมณิคานุภาพยิิง น, นะร้องเอาดวงวิญญาณน้อยไปแล้วร่างอนุษงามพลิ้งเขา่าเราการมาคุณให้กำเริบของแม่นางนั้น ก็พลันนอนนี่เหมือนท่อนไม้และมันจะไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้ซะอีกเพะไม่อาจจะนำไปทำเป็นประโยชน์อะไรได้เลยแม่จะทำเป็นสัมภาระหรือปูนหูงข้าส้มแกงก็ไม่ได้นี้ใจจะเป็นเดื่อของมูนอนข้าวพรชัยให้ปรุปรุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแนนมนจจ้แต่บุคคลที่เคยระหงใจจะขาดเพราะฉะนั้นอะไรล่ะ ที่จะเป็นส า, าระที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์นี้นอกจากคุณความดีที่เคยบำเพ็ญไว้และทิ้งไว้ให้โลกรำลึกีึงยกย่ยองบูชาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์ก็ยังทรงพระไปอิจฉาเพราะวรากายของพระองค์นั้นก็เหมือนกับของคนทั่วซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่เกียที่คุณร้ตุ ง, งานความดีของพระองค์นั้น ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่านั้นแะจะนานเท่าใดไม่มีใครอาจที่จะกาหนดนักได้เพราะฉะนั้นความดีนี้เองที่เป็นสาระที่แท้จริงของสิ่งมนุษย์ในสมัยที่พระศาสดาสัมมาสัพบบุติเจ้าขอบพวกเรานั้นในทรงปรินิพานจากโลกนี้ ไ, ไปใหม่หมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นตระดูกนกในเวหา ไรโพไซที่จะจับเกาะเอ๊ะประดุษผ้ารกน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยเฟ้ยควางอยู่ในท่ากลางมหาสมุทรต้องอ้างว้างว้าวสุประมาณงอหาใครเสมอเหมือนพระจอมทันนั้นไม่มีแล้วแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยพระสัจธรรมที่พระพุทธองค์เคยท้านสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดมีก็มีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในช่วงกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดพระพุทธองค์ทรงจากโลกนี้ไปแล้วพระองค์ดับแล้วดับไปอย่างไฟที่หมดเชื้อ เย้บาขันแหลกิเลาสานุใสทั้งส่วนดูกองไฟใหญ่กับลงแล้วก็หมดเชื้อทังท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระศาสดาทรงปรัสสอนที่พึ่งให้แก่พุทธบริษัททั้งหลา ย, ลยวย่ารู้ก่อนพิสูจทั้งหลายทำมันเป็นที่พึ่งแต่กุลบุตรผู้สแสวงหาทางดับทุกข์ให้แก่ตนเองนั้นก็คืออริยมรรตในองค์แปดอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญา สีนั้นเป็นพื้นฐานที่รองรับมันยิ่งใหญ่แต่หนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่หนึ่งพึกษารดาววัดมหาสิงห์เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์จตุบทวิบากนานานานชนิดดูคนที่มีศีนเป็นที่พึ่งหรือมีศีนเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปรง่ง เหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยราชจากเรือดและอู่นเป็นที่รบกวนแล่ศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิผู้เข้าใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานย่อมเป็นสมาธิที่มีผล ม, มากมีอนุสงฆ์มากผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนาังมีประตูนหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อย มีหลังคาํันรับฟ้องกันแดดและลมฝน ผ, ผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้แม้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันดักผู้มีจิตเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่โรงสวายเมื่อลมแดดแ ล, ล้วฝนคราคือโลกธระทำแผดเผาก็คือผัดซักจ่าเข้ามานั้งแล้วรั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการคาดวันย่อมี เชื่อเถือนกิเลสาสวะต่า ง, งให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสาตราอาวุันภุธิและถางป่าให้โลกโลกเพียนฉะนั้นปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานเพื่อนรากดจุดไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการใคมีแสงสว่างรู้เรียงอันใครขับปุนละอองสุสิดให้ดา ปัญญานั้นจิงเป็นประทีปของห่วงจันอันธรรมดาจิตนี้ต้องไสอยู่โดยปกติแต่ว่าเศร้าหมองก็อุ้งเล้าด้วยกิเลสนานาชนเศียง ส, สมาธิปัญญาจึงเป็นเรื่อฟอกจิดให้ขาวสะอาจจดเป็นเดิมจิตที่ฟอกดีแล้วด้วยเศียรสมาธิปัญญาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้เดที่สุดเถ มประสบปีที่ตราโมดยังใหญ่รู้สึกเป็นว่าจะพบถึงซากันมะฮิมะที่อะไรจะเปรียบด้วยมิได้เอิบออาบราบซ้านไปด้วยพระธรรมตนของตนเองนั่นแหละเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้คิเลสานุสัยได้สิ้นตลอดพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ได้ตนเองว่าบัดนี้แขนของตนได้ขาด ขาดแล้วฉะนั้นท่านผู้ค่อยทำทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาแห่รายการผู้ค่อยลุกขึ้นจะทำความเพียรได้สิ่งสุดลงแล้วขอทุกท่านจงคุง้มคองด้วยความไม่ประมาทจะทำความเพียรเพื่อทำที่สุดแท่งคุ้มครองด้วยความไม่ประมาทคือสุขสวัสดีจงเป็นของท่านผู้ค่อยทำทั้งหลายโดยช่วยกันทุกท่านสวัสดี